จเจรินพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2553เป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดชดเชยวันปิยนาหาราช ที่ผ่านมาคือวันที่23าตุลาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์ตาราชการเลยจัดให้วันจันทร์ี้เป็นวันหยุดแทนเพื่อศรัทธาญาติโยมจะได้มีโอกาสมาทำบุญมาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ ชีวิตจิตใจของตนด้วยการประพฤติปฏิบัติตามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้คิดดีพูดดีและทำดีเพราะการคิดดีพูดดีทำดีจะนำความสุขความเจริญ มาให้แก่จิตใจนั่นเองความคิดของพกเรานั้นสามารถคิดไปได้หลายทางด้วยกันคิดไปในทางที่ดีก็ได้คิดไปในทางที่ไม่ดีก็ได้คิดไปในทางที่กลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วก็ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นของเราความเห็นนี้จะเป็น ตัวที่จะผลับดังให้เราคิดไปในทางต่างๆเช่นคนที่เห็นว่าการเล่นการพนันนี้เป็นความสุขเป็นความเจริญเขาก็จะคิดแต่จะเล่นการพนั น, นคนที่คิดว่าการดื่นสุร่ายามเป็นความสุขความเจริญ เขาก็จะคิดแต่เร <t coloring analysis> ื่องเดินจุรายาคนที่คิดว่าการเที่ยวทะเลเป็นความสุขความเจริญเขาก็จะคิดแต่เรื่องของการเที่ยวเะเลส่วนคนที่คิดว่าการทําบุญนี้เป็นความสุขความเจริญเขาก็จะคิดแต่เรื่องของการทําบุญถ้าเขาคิดว่าการรักษาสิงเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญ เขาก็จะคิดอยู่แต่เรื่องรักษาศีลถ้าเขามีความเห็นว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาเป็นการนําความสุขความเจริญมาให้แก่ตนเขาก็จะคิดแต่เรื่องของการปฏิบัติธรรมจะส่องแสวงหาครูบาอาจารย์ส่องแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจของเขาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนี่คือเรื่องของความคิดของเราที่เกิดจากความเห็นของเราถ้าเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเราก็จะคิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ดีไม่ควรถ้าเรามีความเห็นที่ถูกเราก็จะคิดไปในทางที่ดีที่ควร ที่จะนําความสุขความเจริญมาให้กับเราถ้าชีวิตของเราที่ผ่านมานี้ยังไม่ได้พบกับความสุขความเจริญอย่างเต็มที่หรคือยังต้องพบกับความทุกข์ความเสื่อมเสียความวุ่นวายใจต่างๆก็สแสดงว่าความเห็นของเรานั้นยังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องอยู่ในใจ ที่คอยผลักดันให้เราคิดให้เราพูดให้เราทําในสิ่งที่จะทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าความเห็นของเรานี้ยังไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรเราก็ต้อง อาศัยผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นผู้สอนเราเป็นผู้บอกเราในบรรดามนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องได้เท่ากับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวลกทั้งหลายเพราะท่านได้พิสูจน์ตามความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าเป็นความเห็นที่จะนำไปสู่ ความสุขและความเจริญที่ถาวรนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรนั่นเองนังจากที่ได้ทรงพิสูจน์ความเห็นของท่านแล้วท่านจึงได้นำเอามาเผยแปรสั่งสอนให้แก่สามโลกทั้งหลายหัวใจของความเห็นที่ถูกต้องนั้นก็อยู่ที่กฎแห่งกรรมนี่เอง กฎแห่งกรรมก็คือการกระทำการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจจะเป็นเหตุที่จะทําให้ผลคือความสุขความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นมาถ้าเราอยากจะมีความสุขท่านก็สอนให้เราคิดดีพูดดีทดําดีถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ เราก็ต้องละเว้นจากการพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีเพราะความคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียความทุกข์ทั้งหลายเช่นความเห็นที่ว่าอบายามุคต่างๆนี้จะให้เราร่ำรวยให้เราเจริญให้เรามีความสุขนี่เป็นความคิดที่ผิด พราะผู้ที่ไปยเดี่ยวคล่องกับอบัยมุต่างๆนั้นจะประสบกับความเสื่อมเสียต่างๆตามมานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนันการเสพสุรายาเมลการเที่ยวกลางคืนการคบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดครานความเห็นเหล่านี้ หรือการกระทำเหล่านี้นั้นเป็นการกระทำที่จะนำไปสู่ความเสื่อมความเสียหายไปสู่ความทุกข์ต่างๆเพราะว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการเช่นเงินทองที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ อย่างถูกต้องคือดำรงชีพยอย่างซื่อสัตย์สุดจริตเพราะว่าเวลาที่เราไปเสษอบายมุขต่างๆนั้นแทนที่เราจะได้เงินทองเรากลับจะสูญเสียเงินทองดื่มสุรานี้เราก็เสื่เสียเงินทองเพราะเราต้องเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มแล้วเมื่อเราเมาแล้ว เราก็จะไม่สามารถไปทำงานได้เราก็จะขาดรายได้จากการการงานที่เราทำพอเราไม่มีรายได้และเงินทองที่เรามีอยู่นั้นหมดไปเราก็จะต้องไปทำบาปไปทำการผิดกฎหมายผิดศีลผิดทรรเช่นไปลักขโมยไปปล้น แล้วก็อาจจะต้องไปฆ่าผู้อื่นเหตุเพราะว่ามีความเห็นที่คิดว่าการดื่มสุราแล้วจะทำให้เรามีความสุขจะทำให้เราเจริญก้าวหน้าเพราะถ้าเราไม่ดื่มสุราเราก็คิดว่าเราเข้าสังคมไม่ได้เวลาถ้าเราไม่ได้เข้าสังคมเราก็จะไม่รู้จักคน เราก็จะไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้นี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเราต้องมองถึงความเสียหายที่จะตามมาจากการดื่มสุราเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียสุขภาพเสียสติเมื่อเสียสติแล้วก็จะไม่สามารถควบคุม ความคิดการพูดและการกระทำของเราได้คนที่ดื่มจราแล้วมึนเมาจะเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะเป็นเหมือนกับเดรัจฉานเป็นเหมือนกับสิงสาราศไม่ทราบว่าจะทำร้ายผู้อื่นได้เมื่อไหร่คนที่อยู่ใกล้กับคนดื่มจราแล้ว นักจะต้องรับผลเสียหายที่เกิดจากาการกระทาของเขานั่นเองนี่คือเรื่องของความคิดและความเห็นเราต้องศึกษาให้รู้ว่าความเห็นที่ถูกต้องนั้นคืออะไรอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าความคิดดีนี่แหละเป็นความเห็นดีนี่แหละคือจะเป็น เหตุที่จะทำให้เรามีความคิดที่ดีความเห็นที่ดีก็คือความเห็นที่ตรงกับความจริงนะเช่นกฎแห่งกรรมนี้เป็นเป็นความจริงเราต้องเชื่อหรือเราต้องปฏิบัติพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจริงๆตอนตอน้นถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ ก็ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเชื่อเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปก่อนเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายนั้นเป็นความสอนที่ถูกต้องแม่นยําตรงกับความจริงสอนว่าบาปมีก็มีจริงๆ สอนว่าบุญมีก็มีจริงๆสอนว่าตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ก็มีจริงๆสอนว่าปฏิบัติธรรมทำความดีจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกนี่ก็เป็นความจริงเช่นเดียวกันพราะพระพุทธเจ้าและพออลระอรหันตาสาวกทั้งหลายนะั้นท่านได้พิสูจน์เห็นแก่ด้วยด้วยตัวของท่านแล้ว ท่านไม่ต้องไปเกิอดอีกแล้วท่านไม่ต้องไปทุก์กับการเวียนว่ายตายเกิอดอีกแล้วท่านไม่ต้องไปรับใช้กรรมต่างๆที่ได้เคยทำไว้ในอดีตนี่แหละคือเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องเราต้องอาศัยผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องมาเป็นผู้นำทางเป็นผู้สอนเรา เพราะเรานั้นยังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเรายังไม่ได้ลืมตาหรือตาเราถูกสิ่งถูกผ้าปิดบังเอาไว้เรายังไม่ได้แกะผ้าที่ปิดตาเราออกมาเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะแกะได้เราก็เลยต้องอาศัยคนที่มีตามองเห็นทาง พาเราไปก่อนเดินนําทางเราไปก่อนจนกว่าเราจะสามารถแกะผ้าที่ปิดตาของเราออกไปได้พอเราปิดพอเราแกะผ้าออกไปได้เราเห็นได้ด้วยตายของเราเองแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยคนอื่นนําทางเราต่อไปเพราะพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เพียงแต่นําพาให้เราไป จนกว่าเราจะสามารถมองเห็นทางได้ด้วยตัวเราเองพอเรามีเห็นทางแล้วเราไม่ต้องมีพระพุทธพระเจ้าพระธรมรมพระอริยสงฆ์มานำทางก็ได้เช่นผู้ที่บรร ด, ดุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านสามารถมองเห็นทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แล้ว เพียงแต่ว่าท่านยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นของทางเท่านั้นเองยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ท่านรู้แล้วว่าถ้าเดินไปตามทางนี้ไปไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนจะมีใครมาสอนหรือไม่สอนจะมีใครมานําทางหรือไม่นําทางก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วสําหรับพระผู้ที่บรรลุเป็นพระสวสดาบัน สมมุติว่าถ้าต้องตายไปก่อนที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางท่านก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้เมื่อท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนาไม่ต้องมีใครมานำทางก็ได้เพราะในใจของท่านนั้นท่านรู้แล้วว่าทาง น, นั้นอยู่ตรงไหนจะต้องปฏิบัติอย่างไรคือท่านมีสัมมาทิฏฐิแล้ว ท่านมีความเห็นชอบแล้วว่าบาปนี้ไม่ใช่ทางบาปนี้เป็นทางที่จะนำไปสู่ความหายยนะบุญและการปฏิบัติธรรมเป็นทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็จะไม่ทำบาปไม่ว่าจะเกิดมากี่พวกี่ชาติท่านก็จะไม่ทำบาปจะทำแต่บุญจะรักษาศีลจะปฏิบัติธรรม ไปตามลำดับจะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ถึงถึงจุดหมายปลายทางเหตุ <c oughs> ที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆก็เพราะว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วจะเห็นผลผลนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้มีกำลังใจจะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือมีอิทธิบาทสี่ที่จะทาให อยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเหมือนกับคนที่ทำงานแล้วได้รายได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆได้รายได้มากขึ้นไปก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นไปเหมือนธนาคารที่เขาตอนเริ่มต้นเขาก็เปิดเพียงสาขาเดียว แต่พอเขามีรายได้มากขึ้นเขาก็ขยายสาขาออกไปจนมีสาขาทั่วโลกเพราะเขาเห็นผลจากการทำกิจการของเขาว่าทำแล้วทำให้เขาได้มีรายได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองฉันใดการทำบุญของเราการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเช่นการนั่งสมาธิการเจริญปัญญา ก็จะเป็นอย่างนั้นพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจะมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้เรานั้นมีความศรัทธามีความพอใจที่จะปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปทานก็จะให้มากขึ้นไปและจะให้ไปจนเต็มร้อยเลย คือจะไม่เก็บอะไราไว้นอกจากสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นเช่นผู้ที่ออกบวชนี้เป็นต้นเขามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรเขาก็ให้ผู้อื่นไปหมดสะละไม่เอาติดตัวไปเวลามาบวชนี้ก็เอาเพียงอั ฐ, ฐบริขารมาเท่านั้น คือผ้าสามผืนบาทหนึ่งใบใบมี่โกนที่ประคตเอวที่กรองน้ำแล้วเข็มกับได้ที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อาการดำรงชีพของนักบวชคือของพระภิกษุต้องการเจยงานนี้ก็พอปฏิบัติธรรมได้แล้ว ที่อยู่อาศัยนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีกุติหรือไม่ไม่มีกุติก็อยู่ตามโคนไม้ได้หาเศษไม้หาใบาไม้หาหาลำต้นไม้นี้มาก่อมาทำเป็นเพิงไว้หลบแดดหลบฝนก็ได้หรืออยู่ตามถ้ำก็ได้สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะต่อการนำลง ชีพของสำนนเพศคือนักบวชเพราะเป็นสถานที่สงบสงับปราศ จ, จากสิ่งยั่วยวนกวนใจต่างๆคือรูปเสียงกลิ่นรสโหดถะทะถ้ามีรูปเสียงกลิ่นรสมาคอยยั่วยวนกวนใจจะทําให้จิตใจไม่สงบจิตใจจะวุ่นวายกลับไป ก, บกับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ จะทําให้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้ผู้ที่อยากจะนั่งสมาธิแล้วได้ผลจึงควรแสวงหาที่สงบสงดวิเวกปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่จะมาคอยยั่วยวนกวนใจการปฏิบัติอยู่ในป่านในเขาตามลาพังกับการปฏิบัติอยู่ในบ้านนี้มีความแตกต่างกันมาก อยู่ในบ้านนี้จะมีมีเสียงสิ่งต่างๆมารบกวนใจอยู่เรื่อยมีรูปพอเห็นแล้วก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมามีเสียงที่พอได้ยินแล้วก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความอยากบ้างเช่นเห็นเขาดูโทรทัศน์ดูหนังดูละครก็อยากจะดูกับเขาบ้างก็เลยเสียเวลาแทนที่จะไปนั่งทําสมาธิก็ทำไม่ได้หรือเห็นเขา รับประทานอาหารได้กลิ่นของอาหารโชยมาก็จะอยากจะรับประทานอาหารก็จะทำให้ใจนี้ไม่สงบทำให้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมนี้เป็นพิษนั่นเองสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษกับจิตใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้ที่ต้องการที่จะเจริญในทางปฏิบัติธรรมจึงต้องเปรี่ยคุยเวกันครูบาจารย์ประวัติของครูบาาจารย์ต่างๆประวัติของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายต่างๆนี้จะเห็นเลยว่าท่านต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาต่างๆเพราะพระพุทธเจ้าไม่สามารถอยู่ในวังแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ เพราะอะไรก็เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนั่นเองสิ่งแวดล้อมนี้จะมารบกวนจิตใจจะทำให้ใจว่าวุ่นขุ่นงัวกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกวนกวายพระองค์จึงจําเป็นต้องสละราชเจสมบัติแล้วก็ไปปรีคุ้ยเวอยู่ตามสถานที่สงบสงัดยู่ตามลำพัง แล้วก็จะได้ทำจิตใจให้สงบแล้วก็จะทำให้จิตใจสงบได้อย่างไม่ยากเย็นเลยจึงทำให้พระ อ, องค์ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระ อ, องค์ทรงตัดทรงตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทรงสละราชสมบัติทรงสละทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระ อ, องค์ทรงมีอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพิษเป็นภัยต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองพอได้ทรงสละแล้วก็เลยทำให้พระ อ, องค์สามารถที่จะไปอยู่ป่าอยู่เขาได้สามารถทำให้พระ อ, องค์ทำจิตใจให้สงบได้พอจิตใจสงบก็จะเห็นสัจธรรมความจริงว่าความสุขนั้น ไม่มีในโลกนี้ความสุขนั้นมีอยู่เพียงในใจของเราที่สมบนี้เท่านั้นและจึงทำให้พระองค์จึงตัดสรู้ขึ้นมาพระองค์ทรงเห็นว่าสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้แก่พระองค์ก็คือความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกเช่นลาบยศสสดเสริมสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ เป็นความสุขนั่นเองความอยากที่จะได้ลาบยศเสริญสุขนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจพอทรงรู้อย่างนี้แล้วก็ทรงตัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ตัดความอยากที่จะหาความสุขทางต า, งตางหูจหมูกลิ้นกายตัดความสุขที่อยากจะร่ำ อ, อยากจะรวยอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะให้คนเสริญเยือนยอ ตัดความอยากที่จะอยู่ไปนานๆเพราะทรงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้เขาอยู่ไปได้ตลอดเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดก็ตัดความอยากอยู่ไปนานๆนได้ตัดความไม่อยากตายได้ตัดความไม่อยากแก่ได้ ตัดความไม่อย่างเจ็บไข้ได้ป่วยได้พอเห็นอย่างนี้และตัดได้อย่างนี้แล้วพระไทยของพระองค์ก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยนี่คือผลที่เกิดจากการปลีกวิเวกการออกจากสังคมที่เกิดจากการเสียสละหรือจากการให้ทานของพวกเราในเรื่องต้นนั้นเอง เราจรึงควรที่จะพยายามให้ทานให้มากๆอย่าไปเก็บเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นเอาไว้เพราะว่ามันจะเป็นพันธนาการจะโยงผูกให้เราอยู่ติด ก, กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วเราจะไม่สามารถติดเวทออกไปหาที่สบงบสงบปฏิบัติธรรมได้ พระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้พวกที่มีสมบัติเข้าของเงินทองให้เอาไปแจกเอาไปจ่ายให้แก่ผู้ให้ทาทานนะเพื่อเราจะได้ไม่มีอะไรมาผูกเราไว้ให้ติดอยู่กับสิ่งต่างๆมันเองเวลาเราให้มากๆแล้วใจของเราจะมีความสุขจะมีความสงบมากขึ้นเพราะมีความกังวล มีความห่วงใยมีความยึดติดในสมบัติเข้าของเงินทองน้อยลงไปนั่นเองความห่วงใยความหวงแหนความยึดติดในสมบัติเข้าของเงินทองนีจะเป็นตัวที่จะทำให้ใจเราไม่สงบจะทำให้เราวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลามีเงินก็กลัวจะหายฝากธนาคารก็กลัวจะถูกเข้าโกงไปมีแต่ ความคิดที่จะมารบกวนจิตใจของเราให้มีแต่ความวุ่นวายใจแต่พอเราไม่มีเงินทองที่จะร่ามาคอยกังวลแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายใจจะทำให้เรานี้ทำสมาธิได้ง่ายขึ้นนั่นเองทำให้เรารักษาศีลได้ง่ายขึ้นเพราะเวลาเราให้แล้วใจของเราจะมีความเมตตา จะไม่คิดที่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้เรานี้มีสิงขึ้นมาโดยธรรมชาติเพราะว่าเราไม่อยากจะเบียดเบียนใครเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเราอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเพราะเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วเราก็มีความสุขเพราะเราไม่ต้องมากังวลกับสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นั่นเอง พอเราให้เงินทองคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขเขามีความสุขเราก็มีความสุขเราก็อยากเราก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนใครเราก็อยากจะรักษาสีให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะมีจิตใจที่สงบมากขึ้นไปตามลำดับแล้วก็จะทำให้การทำสมาธิของเรานั้นง่ายขึ้นเราก็จะอยากจะออกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงด เช่นไปอยู่ตามวัดก่อนไปอยู่ตามวัดที่มีการปฏิบัติธรรมเพราะวัดที่มีการปฏิบัติธรรมนั้นจะเป็นวัดที่สงบสงัดจะไม่ค่อยมีเรื่องราวต่างๆเหมือนกับวัดที่ไม่ปฏิบัติถ้าเป็นวัดที่ไม่ปฏิบัติก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นมีงานศพมีงานบุญต่างๆอยู่ตลอดเวลาถ้าไปอยู่วัดอย่างนั้นก็จะ ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบได้ต้องไปอยู่วัดที่ไม่มีกิจกรรมต่างๆมีแต่การปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมหลักเท่านั้นถ้าไปอยู่วัดอย่างนั้นแล้วการปฏิบัติก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและจะบรรลุถึงผลได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการมีความเห็นที่ถูกต้อง คือเราต้องเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่ทรงสอนให้เราละาบาปเพราะบาปนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราให้เราทําบุญเพราะบุญนี้เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราและให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อทําจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นี้เท่านั้นที่จะกําจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจของเราได้ ไม่มีวิธีอื่นต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนก็จะไม่สามารถกําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้ต่อให้มีตาแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามก็ยังจะมีความทุกข์อยู่ในใจต่อให้มีใครชันระเสริญยกย่องอยู่ตลอดเวลาก็ยังมีความทุกข์อยู่ในใจอยู่นั่นแหละต่อให้มีความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมากน้อยเพียรหลก็ตาม ก็ยังจะมีความทุกข์อยู่เพราะว่าความทุกข์นี้มันอยู่ในใจเกิดจากความอยากนี่เองตราบใดที่ยังมีความอยากอยู่ก็จะไม่หมดความทุกข์และถ้าเราต้องการจะทำให้ความทุกข์หรือความอยากนี้หมดไปก็ต้องปฏิบัติธรรมท่านนั้นเองก็คือการนั่งสมาธิการเจริญปัญญา การปลีกวิเวกออกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงบวิธีนี้เท่า น, นั้นแหลที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรนี่คือเรื่องของการมีความคิดดีพูดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราปฏิบัติได้รับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับ ส่ผลที่พระอาหารหันต์ตราสรู้ทั้งหลายได้รับนั้นก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับเช่นกันไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอนจึงขอให้เรามีความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพิจาาแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อมาสร้างความเห็นที่ถูกต้องเพื่อจะได้ผักดันให้เราคิดดีพูดดีทำดีตลอดเวลานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัย